No, no, no. ทุกท่านความในใจของพวกเราที่นี่ตั้งใจอยู่ว่าผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของเราผู้ที่มาแล้วขอ อ, อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้ทำไว้ในของพวกเรามีมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นญาติกันมาก่อนแล้วแต่เพิ่งเห็นหน้ากันใจคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเลย ถ้าพอที่จะทําใจบ้างก็ว่าที่นี่คือบ้านเราเป็นบ้านของเราพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่บาศกบรรยายะกาเป็นน้องพี่ลู้สองน้องลู้หนึ่งต้องมาศึกษาที่จะได้ชีวิตเหมือนเหมือนกันหมดถ้าเราศึกษา ในเรื่องของชีวิตนี่เป็นนาเดียวกันหัว อ, อกเดียวกันเป็นเพื่อนเคยเจอกลายตายด้วยกันเหมือนกันหมดเราไม่กายมีใจเหมือนกันหมดปัญหาก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจเหมือนกันหมดการแก้ปัญหาก็แก้ที่กายที่ใจเหมือนกันหมดจึงเป็นคนคนเดียวกันน่าสงสารมากชีวิตของเราแนละ้วถ้าเรางา ดูแลตัวเองจริงๆนมันก็มีทางที่หลุดพ้นจากปัญหาได้เราจึงมีการศึกษาบ้างเป็นหูเป็นตาดูแลตัวเองในของการก็ว่าควรคิดถึงชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี่หรือที่ผ่านมาแล้วมีอะไรเป็นบทเรียนบ้างถ้าทุกคนก็อาจจะตอบได้เองว่าเอา ความรู้สึกตัวกับความหลงนี่อันไหนมากกว่ากันที่แถวผ่านมาถึงวันนี้สร้างความเป็นธรรมไมย่าตัวองบ้างไหมลราพอใจแต่ความหลงเคยเปลี่ยนความหลงบ้างไหมเป็นความรู้สึกตัวเคยเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวเคยเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้สึกตัวเคยบ้าไม้ตรงนี้ หรือว่ามันโกรธฟรีๆมันทุกรฟรีๆอยากใช้ให้เราโกรธก็มาใช่ได้เลยอยากให้เราทุกข์ก็มาใช่ได้เลยเหมือนกับชีวิตของเรามันเถื่อนอย่างนั้นเือเราไม่มีจิที่จะไม่ทุกข์ได้ไหมเรามีจิที่จะไม่โกรธได้ไหมคเคยใช้จิตที่ของตอนเองไหมในเรื่องอย่างนี้หรือยอมมันทั้งหมดเป็นชีวิตที่สมสอนหรือ สาธารณะเกินไปหรือในโลกเนี่ยจะเป็นสุเป็นทุกข์จะดีใจเสียใจคุามร้ยายคุมดีก็ไปชะนั่นหรือแล้วเรามารู้เรื่องนี้จะเป็นยังไงถ้าจะเป็นชีวิตถืเหลืออยู่นี้เอาบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมาก็ได้เราจึงน่าจะเปลี่ยนร้ายเป็นดีสักเรื่องสองเรื่องพอที่จะยกมือไหตัวเองได้ พวกเราที่เป็นพระสงค์คิดว่าพบทางจะไม่พาพวกเราหลงทิศหลงทางแ น, น่นอนดีใจมากมากที่มีผู้มาสนใจเรื่องนี้ศึกษานี่ดูเพื่อจะได้เป็นคนคนเดียวกันสิ่งที่ทำให้เราไม่เป็นคนคนเดียวกันก็มีสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนคนเดียวกันก็มีไม่ยากเช่น ถ้าเรารู้สึกตัวทุกคนมีความรู้สึกตัวก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าต่างคนต่างหลงไปทุกที่ทุกทางก็เป็นคนแล้วคนไปไห้นเราก็เพิ่งพออาศัยชื่เราไม่ได้บางทีใจของเราจิตใจของเรานีบางทีงอาจจะพึ่งไปได้บางคนถึงกับพูดว่าไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นยังไงไม่ควรที่จะมีคาพูดอย่างนี้ เ, เลยเพราะเราเป็นิทธิ กาเราอยู่นี้ใจเราอยู่นี้ไม่ใช่ดูชื่ออื่นหรอกสามารถเรากายมาทําความดีสามารถเรากายมารับความชั่วได้สามารถเราจิตใจมาทําความดีสามารถเราจิตใจมารับความชั่วได้มันอยู่กับเราทําไมจึงว่าแม่มั่นใจตัวเองพราะเหตุใดเคยทํำมาเรื่องนี้สุดผีมือไหมเคยใช้ชีวิตได้สุดผีมือเรื่องนี้ไหม อาจจะไม่เคยใช่ก็มีบางคนวันเที่ยมมีเวลาอย่างนี้บ้างให้เรามาดูตัวเองให้ดีๆดังปฏิบัติธรรมก็คือการมาดูแลตัวเองให้มันคุ้มแม้แต่วินาทีหนึ่งก็ดูแลตัวเองให้มันอยู่ให้มันคุ้มดูอย่าผ่านสายตาของเราไปเหมือนแม่เลี้ยงลูกอ่อนก็ดูแลอยู่จนชำนิชำนานในการเลี้ยงลูก เหล่านี้ก็มีชำนิชำนาญในการดูแลตัวเองให้มากๆให้ปลอดภัยจนไม่มีภัยโดยมีสติมีสัมผัสัญญะลูกรอบรอบรูร้รรมันก็ไม่พ้นไปจากความรู้สึกตัวหรอแม้แปดหมืนสี่พันอย่างเกิดกับกายกับใจนี้มันก็เกิดต้นตุ น, ตนที่กายที่ใจ น, น, นั่นเองจะเป็นความสุขความทุกข์ความรักความชังความวิตกกังวลสศรหมอง อะไรเกิดขึ้นที่กาดที่ใจนี้มันเข้าคิวให้เราดูเลยไม่ต้องหาไม่ต้องโ่อกหาค้นหามันฉายให้เราดูทันทีแค่เราไม่สติอย่างน้อยเราก็ต้องเห็นความหลงเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะสภาวะที่ลูก้กับสบภาวะที่หลงมันตรงกันพอดีหลงอยู่ตรงไหนรู่อยู่ตรงนั้นพอดีไม่ใช่ไปหามันโชว์ ถ้าจะเป็นแหล่งศึกษาก็าเป็นต ก, กัศิลาที่เกิดขึ้นให้เราเห็นถ้าจะเกิดการพบเห็นอะไรที่เกิดกับกายกับใจนี้จึงมาศึกษาชีวิตเราที่ยังเหลืออยู่เนี่ยชีวิตจริงๆอยู่เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเริ่มงันไ่จริงตรงไหนล่ะเนราเรามีปกติเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันจริงใดที่ทำให้เกิดความหลงไปถ้าม่ผิดปกติเราก็รู้ เราก็รู้ดูแลถ้ามันหลงไปกลับมาลูมันหลงไปทางไหนกลับมาลูได้ถ้แต่ตาหลงไปทางตาก็ลูได้หลงไปทางหูก็ลูได้หลงไปทางจมูกเล่นกายใจก็ลูได้หลงไปทางลูบลถยินเสียงก็ลูได้เพราะมันเกิดที่นี่ไม่มีที่รับพร้อมรับไอ้ตัวเราไม่มี หลอกก็ยังไม่ได้การหลอกก็เหนือนจะหลอกได้แต่หลอกตัวเงหลอกไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรเราต้องดูดีๆจะเห็นทางพบทางพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการศึกษาชีวิตของเราเนี่ยเป็นการพบเห็นพบเห็นอะไรพบเห็นทั้งคู่พบเห็นความหลงพบเห็นความรู้ไปพร้อมๆกันพบเห็นความทุกข์พบเห็นความไม่ทุกข์พร้อมๆกันไป มันมีทางอยู่เหมือนหน้ามือหลังมือเพิ่มทุกเหมือนหน้ามือกว่าไม่ทุกก็เหมือนหลังมืออยู่ที่เดียวกันเพิ่มโกรธเหมือนหน้ามือกว่าไม่โกรธก็เหมือ น, นหลังมืออยู่ที่เดียวกันถ้าเราศึกษาแล้วอนี้มันง่ายง่ายไม่ยากเลยไม่ต้องโกรธไปทนไปดูไปดา่าไปทําอะไรต่างๆไม่ต้องโต้ตอบทักท่วงตรวจสอบตรวจสอบเพื่อให้ผงใสทะลุทะลวงได้ จนหลอกตัวเองไม่ได้ยกมือไหวตัวเองได้เราทำอะไรที่มันดีกว่าเก่าได้บ้างเราก็ตรวจสอบจนได้ทิศได้ทางได้สติได้ปัญญาความหลงทําให้เราเกิดปัญญาความทุกข์ทำให้าเกิดปัญญาได้แน้แต่การเก้เจ็เยียบตายทําไมเราเกิดปัญญาได้แต่บางทีเราเออกมาเป็นทุกข์รวมไปเที่ยงออกมาเป็นทุกข์รมเป็นทุกข์ออกมาเป็นทุกข์ ถ้าเราศึกษาดีๆความไม่เที่ยงให้เกิดปัญญาความเป็นทุกข์ทาให้เกิดปัญญาความไม่ใช่ตัวตนทำให้เกิดปัญญ า, า, ม, ม, ญญามันตรงกันข้ามมันเป็นไปตานองนั้นความถูกต้องมันไม่อยู่ความผิดมันก็ไม่อยู่ไหนความผิดมันก็มีความถูกต้องอยู่ที่เดียวกันนี่คือศึกษาชีวิตเราไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ ต้องเอาวัตถุไว้นอกมากำหนดมาเป็นแกเตอร์ตัวตั้งหาคำตอบเอาเหตุเอาผลสัจธรรมไม่ใช่เหตุผลเคล่นความหลงอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลมันหลงที่ไหนก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ทันทีความทุกข์มันไม่ใช่เหตุผลก็เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทันทีเชื่้ไปก่อนเปลี่ยนไว้ก่อนเคล่อนไฟตกใสข่ขาเราต้องเอาไฟออกก่อน อย่าไปถามหาเหตุปัจจัยที่มันตกมาเสจยเราถ้ามันเราเป็นทุกข์อนธรรชาติเป็นการพบเห็นไม่ต้องมีคำถามใครเห้เราหลงเนี่ยต้องถามใครไปมไม่ต้องถามใครมันหลงอยู่ที่เราเรารู้สึกตัวไปขอให้ใครมาช่วยไหมไม่ไม่มขอบอกใครมาช่วยให้ที่มันหลงขึ้นมาให้มันรู้ขึ้นมาไม่มีใครช่วยเราได้ จะเป็นการปัจจดตังเห็นแดงระหว่างความรู้ของหลวงต่างกันไหมแบบผัดดูไม่มีคำถามไม่แต่คำตอบคนอื่นตอบไปก็มาได้เราต้องตอบไปเราหลงอ่ะเราไม่หลงอ่เนียเราทุกข์อ่ะเนี้ยถามความเหนือดไหมว่าเราทุกข์ไม่ต้องถามเมื่อเรารู้จักตัวความทุกข์หมดไป อ่าถามกนเหนื่อยไหมว่าความทุกข์เราหมดไปหลายอย่างไม่ต้องถามเป็นปัจจิตังของผู้ปฏิบัติเองนี่คือของจริงเรามาศึกษาของจริงไม่ต้องไปเชื่อกันถ้าศึกษาของจริงว่าถ้าความรู้จึกตัวความหลงตัวน่ะอะไรมันถูกต้องสัมผัสโ ด, ดถ้าไปเชื่อความหลงนั้นก็ข่มขืนตัวเองทำไม่ได้เป็นความโกรธถ้าไปเชื่อความโกรธ ความไม่โกรธมีอยู่เงั้นกับเป็นบังคับเป็นตโกรธมันทำมาได้มันมข่มเขินตัวเองถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้ก็โกรธอยู่ข้ามบันคับข้ามเขินได้ถ้าเรารู้มันไม่ไปอย่างนั้นมันไปเป็นได้ไม่ถูกต้องพรเราเห็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นหนังความโกรธเป็นหนังความไม่โกรธเป็นหนังความมาทุกข์เป็นเรื่องนังแล้วก็รจักเลือกเพราะมันบอก ความผิดมันบอกความถูกมันบอกอันนี้เรา่าดูแลศึกษาชีิตของเราดูจัดสรรชีวิตเราดูให้มันมีที่มีทางได้หลักได้เลื่ถ้าจะพูดแล้วชีวิตของเราเนี่ย ม, มีบ้านเหมือนกันใจก็มีบ้านใจก็มีบ้านบ้านของใจคือปกติถ้าผิดปกติเสียว่าจิตใจพัดบ้านพัดถิ่นแล้ว มาได้โอกาสเขาหอกเพี้ยไปไหนใจมันก็ไปได้ใจของเราในเรื่องสาธารณะถ้าเราไม่ดูแลมันเหมือนศาลาหลังนี้ใจิตใจถ้าเปียบมันก็เหมือนศาลาหลังนี้ใครมาพักก็ได้ศาลาหลังนี้หมายว่าอะไรแต่ว่าถ้าคนดีมาพักเหมือนพวกเรามานั่งนี่ศาลาหลังนี้ก็สะอาดเรียบร้อยถ้า คนเลวมาอยู่จนพลายมาอยู่ภาษาลาเซงูก็ ล, ก ล, ลุกลังหรือเจียหายไปได้ส า, าลามันไม่ว่าอะไรใจของเราก็เหมือนกัน่ะสาธาระสํำสอนถ้าเรามาดูแลเราจะปล่อยให้ใจเราสํำสอนเราก็เป็นโทษเป็นภัยตัวเราต้องดูแลตัวเองชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยดูแลให้ดีดูแลให้คุ้มเห็นช่องทางอะไรที่เกิดขึ้น อันตรายที่เกิดขึ้นอะไรที่มันทำให้เสื่อมเสียอะไรที่มันทำให้จเจริญก็ดูเห็นจนใชยชีวิตอย่างถูกต้องแม่นยำชัดเจนไม่มีปัญหาเรื่องการตั้งใจเลยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่มาสมัยก่อนมันก็หมดไปหมดไ ป, ดไปเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อบรปปรลุในภารันไดจากปัญหาก็ไม่มีปัญหาไป เคยหลงไม่หลงได้ความหลงอาจจะเป็นขั้งสุดท้าได้ความทุกข์อาจจะเป็นขั้งสุท้าได้ความโกรธก็เป็นขั้งสุดท้าได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกมันก็เป็นพบเป็นชาติไปเป็นพบเป็นภูมิไปเกิดดับเกิดดับเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นภาระถ้าศึกษามันหมดภาระหมดภาระหมดภัยที่เกิดขึ้นกับกายใจเราไม่เดือาวัยได้ใช้ชีวิต อย่างปกติเมื่อเราฝึกผลดีแล้วพอเดินก็เพึ่งได้เราก็เพื่งได้คือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราอาจจะมีความผิดพลาดอาจจะมีความไม่ดีไม่งามก็เปลี่ยนได้เพราะมันรู้จับมันไม่ยากถ้าชีวิตของเราเป็นสัตว์ประเสริฐฝึกได้ให้เหมือนสัตว์เดรัจฉาน จากความหลงเป็นความรู้ได้จากความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้ถ้าเราฝึกถ้าไม่ฝึกก็เป็นอยู่เช่นนั้นต่อจนตายทุกจนตายหงุ่นคุ้นชิดพุ่งซ้อนกลางคืนว่าฝันกลางวันวายชิดเราจะอยู่ไงมีใจก็เพ่งใจมาได้แล้วใครจะเพ่งเราได้ชีวิตนี้ในโลกนี้ไม่ใช่เราอยู่คนเดียว เมื่อเราเป็นคนดีจึงเื่นก็เพิ่งได้ถ้าเราเป็นคนชั่วอนอืน่นก็ควเป็นโทษเปนไปจึงสมควรที่จะละความชั่วได้แล้วทำควองดีแล้วแล้วทําจิตให้บริสุทธิ์แล้วไปช่วยคนอื่นนะเขาละความชั่วไปช่วยคนอื่นนะเขาทําความดีไปช่วยคนอื่นนะเขาทําจิตบริสุทธิ์จากหนึ่งสองสามไปหลายคนหลายคนจึงจะอยู่ร่วมกันได้ ถ้าเราดีคนเดียวไม่ได้ต้องชวนกันดีต่อไปมันจี่จะพึ่งพาใจได้เป็นสังคมมนุษย์เพราะสังคมมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวผัวเมียบุตรปัญญาสามีก็ยิ่งดีจะได้อาศัยกันช่วยร่วมกันทําความดีเป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียนแทนกันได้คนหนึ่งประมาทคนหนึ่งไม่ประมาทได้คนหนึ่งเป็นบาปคนหนึ่งเป็นบุญคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งเย็น อยู่ด้วยกันได้เพราะเป็นหูเป็นตาให้กันดูอะไกันได้เตียนกันได้คนอื่นก็ตักเตือนเราได้เราก็ตักเตือนเราได้อาการกาวาจาอย่อื่นที่เราต้องทำให้ดีกว่านี้มันมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้เลื่อนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนิ่งพัฒนาชีวิตเราจนถึงที่สุดถึงทุกข์ทั้งปวงเหมือนพระพุทธเจ้าว่าชาติเสร็แล้ว พ่อหมอจันอยู่จบแล้วคิดอื่นที่ต้องทำไม่มีกแล้วเพราะศึกษาเลยเนี่ยเอากายเป็นตาลาเอาใจเป็นตาลาเอาสติเป็นนักศึกษาดูแลตัวเองก่จะเห็นหมดทุกช่องทุกทางคิดของเราเนี่ยมันไม่มากถ้าจะว่าแล้วกรรมเอเดียวแต่จริงต่างๆไม่มากเส้นใจเนี่ยถ้าจะพูดถึงอวิธรรมก็ต้องสองรอยยี่สิบดวง ถ้าพจนกปฏิบัติก็คืออันเดียวมันเป็นคลื่นเหมือนเงาดวงจันทร์ในน้ำถ้ามีคลื่นก็ไม่เป็นดวงเดียวก็เป็นหลายหลายดวงไปอันใจร่ายจะดีโรคโกลงมันเกิดที่ใจพ้ามีสติแล้วมันก็อันเดียวกันอย่าไปมองอันว่าใจร้ายเป็นใจอันหนักไม่ใช่เรา อ่อนใจร้ายที่มันหลงมันผู้ความผลผันปันเล่นมันเป็นอาการอนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่ใจแต่ไม่เป็นอากา ร, ร, รความร้อนความหนาวเป็นอาการของกายความโกรธความทุกข์ความเกลียดแค้นเสีงสังเปนอาการของใจแต่มันไม่ใช่ใจแต่บางคนไม่รู้เอายึดเอาอาการนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเช่นความโกรธแปลงว่าเราโกรธ ถ้ากลัวและโกรธตายก็ไม่เลิมไม่ใช่ความโกรธเป็นอาการของจิตที่มันเกิดขึ้นในขึ้นต่งางๆมันไม่มีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีตัวเป็นตนแต่เราไม่รู้ไปข้อเอาเอาความโกรธว่าเป็นตัวเปะนตนทนําตามความโกรธเสียเปรียบความโกรธมามากต่อมากแล้วพอให้ความโกรธพาทำชั่วทะเลาะว่ากันเถียนก้ากัน ย, า, ยากกันไปสามีปัญญาแตกเล่าสามีกันพื่น้องแตกเล่าสามีกันเพราะของกฎบงการบังทั้งนี้มันไม่มีอันตัวกฎไม่ใช่ใจเป็นคืื่นที่เกิดขึ้นกับใจเหมือนจาราดังนี้โศกปกมันไม่ใช่จารา ด, ดังนี้เอาออกได้รู้ออกได้ใจที่มันโศกภพมันโกดมันโลกมันหลงมันวิตกกังวลเอาออกได้เปลี่ยนนด้ทำใหม่ทำให ม, ใหม่ตั้งต้นใหม เวลาโกรธอย่าพูดเวลาโกรธอย่าคิดอย่าไปพูดตามความโกรธนิ่งไว้ก่อนต้องฝึกขัดแต่งในตัวมันไม่มีอันความโกรธความทุกข์ความรังเกลิั น, นเราอยา่าดึกว่าเราให้ดูแลตัวเองชีวิตที่เังเหลืออยู่เนี่ยจัดสรรให้มันดีดีนะวิธีที่ดูแลนี่แหละกรรมฐานเนี่ยกรรมเนี่ยมันเป็นของจำแนกมันจะเป็นไปเองเราไม่ต้องไปหาเหตุหาผลว่าจะมีการกระทําเกิดขึ้น ให้มันได้มีการกระทำคือย่างไงมีสติดูกายตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสองสอนถ้าจะดูแลตัวเองถ้าจะตรวจสอบตัวเองชีวิตรีเหลืออยู่นี่ยมีสติีเห็นกายเห็นกายเคื อ, อยังไงตามรูปแบบตามพุทธเจ้าสองกายานุป จ, จนนาสติปัฏฐานนิตรีเห็นกายให้มันเจตนาให้มันเห็นรู้อยู่อะไรที่เป็นกายเอามาเป็นวัตถุประกรณ์เป็นติดตั้งเป็นนิมิตเหมือนตาเที่ยวดูอะไร เมื่อเห็นเตืองเก่าบ่อยๆก็ไม่ใช่เห็นอยู่เฉพาะนั้นเกิดย้อนเคยปัญญาเกิดเห็นแช้งขึ้นมาเป็นเลี้ยวเยอะแล้วเห็นกายมันพม่ใเห็นกายธรรมดาเราไปเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามถ้าเราเห็นอะเห็นกายกายจตกว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตัวเราอะไรที่มันแสดงว่าทางกายเยอะแยะเดี๋ยวก็มีความปวดความม้อยความร้อนความหนาวความหิว อะไรต่งางๆมันเกิดขึ้นมาเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจก็ เ, เห็นแล้วศักว่าเป็นอาการของกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตตัวลโลหะเห็นจิตเขามันน่ะจิตที่มันเช็ดโน่นเช็ดนี้อยู่นิ่งไม่เป็นนะอ่ะนเาเห็นตัวคิดไปเอาตัวคิดที่แม่ตั้งใจมันอันหนึง่งตัวคิดที่ตั้งใจอันหนึง่งเราก็เห็นนะ่ะแล้วก็กลับมารู้อย่าไปตามความคิดกลับมา เมืมัคิดหลงคิดไปจิตใจสอนมันที่นั้นควงหลงเราสอนมันได้บทเรียนจากความหลงกลายเป็นความรูม้ได้บทเรียนจากความทุกข์กลายเป็นความรู้ได้บทเรียนจากความสุขกลายเป็นความรู้เพราะเราเห็นอะไม่ได้ไปกับเขาแม้ร่ า, างกายมันแสดงออกก็เห็นใจที่มันแสดงออกก็เห็นเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจนเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมแต่ก่อนเห็นกาย เดินใจธรรมดามันขับแคบมันมัดมือโชกเราเหมือนปิดประตูย่อมีเราต่อไปเห็นไปเห็นว่าเห็นรูปเห็นนามเป็นรูปเป็นนามกลายเป็นรูปที่มันรู้สึกเจ็บปวดคิดโน่นชิดนี้เป็นนามารรมไม่อยู่ด้วยกันว่าเห็นเป็นรูปเป็นน้ําก็ไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกเป็นอาการเป็นเลยกันรูปทมนามทำ เบลการที่เกิดขึ้นกับลูกเ่ะมันต้องมีแต่ก่อนหิวเกิดขึ้นแต่ก่อนไปทุกเดี๋ยวนี้ยไม่ถูกเราเป็นอาการขอบคุณความหิวขอบคุณความร้อนขอบคุณความหนาวขอบคุณความปวดขมเมื่อยเพราะมันเป็นสัญญาณภัยของลูกถ้าลูกมันปวดมันร้อนมันหนาวมันหิวมันเปลี่ยนไม่ใช่โรคเลยแต่ก่อนเรามาเป็นศุกร์ทุกไม่ใช่เพรฉลาดไปใช้ก็เหมือนกันความรูปความกดความหลงความทุกข์ไม่ใช่ใจ แต่การที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆเราก็ดูแลคุ้มเหรอตอนนั้นเอาได้ผลเรียนจากกายจากใจความโลภรู้ในกายในใจนี่นเป็นปัญญาปัญญาเกิดทางนีน่ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากวั่งหายไหลปัญญาที่เป็นปัญญาพุทธะน่ยเกิดจากกายจากใจเนี่ยความโลภรู้ใ น, นของสังขารคือกายสังขารจิตตสังขารเนี่ย มันมีอะไรที่มันแสดงกอกเห็นหมดเห็นเขาเป็นทุ่นเนี่ยถือว่าจะดูแลเตรียให้ปลอดภัยโดยสุดอปลอดภัยที่สุดยิ่งกว่าการปลอดภัยใดเพราะเราอยู่กับเราเท่าไรเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่ศึกษาชีวิตของเราจนจบไปเลยนะจบไปเลยตื่นแะ่ดึกศึกษาตั้งแต่หนุ่มจะน้อยจะเราให้เท่าไหร่จะประมาทนะได้ความผิดอะไประมาทนิดเดียวมันก็ ก็ย่เิมากขึ้นรวงถูกนิดหน่อยก็ให้ใส่ใจเฮียนทำไ้เช่นเรารู้สกตัวเรารู้ึกตัวนะ14จังห่ะอ่ารู้วิทยงนาทีหน่งเช่นรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกตัว14วินาทีรู้ทีละที14วินาทีรู้ทัอง นับหนึ่งอยากรู้นแบบสิบสี่วินาทีรู้สิบสี่วินาทีรู้ถ้าชั่วโมงหนึ่งมันต้องสามพันขั้วลูนับหนึ่งแค่นี้มันทํา ม, มากขึ้นมากขึ้นว่าอยาประมาณทวิธีใดที่มันรู้จึกตัวออกมาทําไม่ใช่เรามานั่งคิดนอนคิดให้กําหนดให้สร้างความรู้สึกตัวปกะกอบสติมันจะเกิดขึ้นเพราประกอบเอาไปต่อเ อ, เอากายไปต่อเอาความรู้สึกตัวเอาใจไปต่ อ, อให้มันติดกันดู เดี๋ยวนี่กายเรามันติดความหลงใจมันติดความหลงถ้าถามว่าที่เรามาถึงวันนี้ความหลงกับความรู้อันไหนมากกว่ากันผู้คนตอบได้ยอ ง, งทําไงจิตใจมีควา ม, มรูม้ต่อเนื่องเหมือนพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดมีสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนหนึ่งปีถึงเจ็ดปีอย่างแท้ที่สุดเกิดอันนิ่งสงมากมายใครจะไปสุแล้วได้ละ่ะถ้าไม่ใช่เราเสนอตัวเราก่อน ตรงนับหนึ่งจากตัวเราก่อนเรล่าละคนหนึ่งอ่ะชีวิตในชาตินี้จะต้องทำเรื่องนี้ดูสักครั้งหนึ่งนะอันนี้มีคอร์สมีการสบักมาเนี่ยง่าโมโหตรามากเป็นเพื่อนที่นี่รับผิดชอบเก้าไขหลงทิดอะไรมาปัญหาอะไรก็มาถามให้ถามถามที่อาการเกิดขึ้นอย่าคิดมาถามปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงเอามาถามได้จะไม่พาหลงทิศหลงทางแน่นอนจึงผู้ถูงกันฟัง ได้ยินไหมพูดภาษาบ้านเร า, น, น, น, ร า, เากกนั่งอยู่นี่นี่คือพระสงฆ์ยอดยมอวบโฉกนั่งอยู่นั่นพูดกันอย่างนี้รู้เรื่องกันบอกให้รู้สติอ๋อสติคือความรู้สึกความเลืกได้แล้วก็อยู่ได้เราพูดแจ้สิ่งที่เราทําเราทําในสิ่งที่เราได้ยินมามันก็สมดุลพอดีเหมือนกับเราไม่เครื่องรับมีขึ้นที่เขาสง่งอ๋ออะไรต่างๆมาเรารับได้ เรามีความรู้สึกตัวที่ก่าเมื่อพูดถึงความรู้สูกอันเดียวกันเลยเมื่อหลงก็อันเดียวกันใครหลงก็คื อ, ลอหลงใครทุกข์ก ค, คือทุกข์ใครโกรธคือโกรธน่าเห็นใจกันเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันนะจึงไม่เหลือวิสัยที่เราทําได้ตอนนั้นก็พูดมากก็ไม่ดีต่อไปเรามีการกระทํานะไม่ใช่พูดให้จําพูดนี่ไม่ให้ไปจําเอาพูดนี่ให้ไปทําดู